2.7 จุเจ็ดธรรมะหลวงปู่ดูลงเล็บเปิดยีพ่พฤศจิกายน2549้า25กวงเล็บปิดก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลเคยไปอ่านหนังสือของหลวงปู่แหวนซึ่งวัดสัมพันธวงศ์เขาพิมพ์เขาเหลือที่อยู่หน่อยหนึ่งเขาก็เอาธรรมะอริยศาสแห่งจิตของหลวงปู่ดูลไปลงไว้ตอนนั้นท่านใช้ชื่อพารัตนากรวิสุทธ์ไปดูแล้วโอ้เห็นแล้วน่าทึ่งนะท่านบอกว่า จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคพ้อันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธมีอีกบทหนึ่งนะพวกเรามักจํากันได้บทเดียวช่วยกันจําอีกบทหนึ่งไว้ด้วยอย่าให้สูญหายไปท่านสอนว่าอันหนึ่งตามสภาพที่แท้จริงของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อรับอารมณ์นั้นๆโดยธรรมชาติของมันเอง ก็แต่ว่าถ้าส่งจิตออกนอกได้รับอารมณ์แล้วจิตเกิดวันไหวหรือเกิดกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตวันไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆเป็นทุกข์ถ้าจิตที่ส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วแต่ไม่หวันไหวหรือไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตไม่วันไหวหรือไม่กระเพื่อมเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นนิโรธ พระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมเป็นวิหารธรรมจบอริยาศาสตร์สี่คำว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันนะพระอรหันก็ยังมีจิตที่ออกนอกเพราะธรรมดาจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อรับรู้อารมณ์ทั้งหลายทั้งตาหูจมกูกลิ้นกายใจแต่จิตของพระอรหันนั้นเมื่อออกนอกแล้วไม่กระเพื่อมหวั่นไหว เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเองความต่างมันมีแค่นี้เองถ้าพูดภาษาปริยัติก็พูดได้ว่าชวนจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นมหากิริยาจิตไม่ใช่มหากุโสลจิตหรืออกุโสลจิตที่ฟูขึ้นแฟบลงอย่างผู้อื่นที่จิตใจท่านไม่มีความกระเพื่มหวั่นไหวแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรกระทบเข้ามาถึงจิตถึงใจได้จิตกับขันนั้นมันพรากเด็ดขาดจากกันออกไป ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเข้ามาถึงจิตอีกจิตมันจึงไม่กระเพื่อมหวั่นไหวท่านก็แสดงกิริยาอาการอะไรเป็นไปตามความเคยชินบางองค์ท่าทางดีใจก็ดีใจไปท่าทางดุ ก, ก็ดุไปไม่มีการเสแสร้งแกล้งทำอะไรหรอก